แต่ไม่ทุกคนที่ปรารถนาจะไหว้และความเคารพก็มีระดับเป็นต่างๆบางคนเคารพน้อยเพราะไม่มีสายใยผูกพันหรือเพราะใจคอกระด้างเย่อหยิ่งจองหองบางคนเคารพมากเพราะรู้สึกในบุญคุณอันลึกซึ้งหรือเพราะจิตใจโน้มน้อมลงจนเป็นสภาพอ่อนโยนนิ่ม น, นวลเป็นธรรมชาติแล้วสำหรับฉันในวันนี้ไม่ว่าจะไหว้ใคร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 ย่อมรู้จักบุคคลและยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดได้ตามจริงยิ่งกว่าผุ้ทุชนทั่วไปที่ถูกครอบงำด้วยอคตินานบประการสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นชัดคือคนเราตั้งต้นชีวิตขึ้นมาด้วยความไม่รู้เหมือนๆมือนกันมีสัญชาตญาณเอาประโยชน์เข้าตัวเหมือนๆมือนกันมีกิเลสคือราคะโทสะโมหะเหมือนเหมือนกัน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 ยากนักหนาที่มนุษย์จะหวนกลับเข้ามาสนใจเกี่ยวกับความจริงในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งโจทย์ได้ถูกต้องตรงประเด็นที่เป็นคุณค่าสูงสุดนั่นคือทําอย่างไรจะพ้นทุกข์ได้เด็ดขาดแบบไม่กลับกําเริบขึ้นอีกความจริงโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์ใหม่ซสีทีเดียวมีชนกลุ่มน้อยที่ดํารงชีวิตแบบนักปราศหรือฤาษีชีไพราตามป่าลึกได้เคยตั้งโจทย์ทํานองนี้กันไว้แล้ว